สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิเสีพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่สามร้อยสี่สิบห้าเรื่องสัจจะจะกระทําให้ท่านเป็นไทยเพระเจ้นาของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอนบทที่แปดข้อที่สามสิบเอ็ดครับข้อที่สามสิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบแปดยอญบทที่แปดข้อที่สาสิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบแปด โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย เหตุไงท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัดตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาตของบาปทาตมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าท่านั้งหลายเป็นเชื้อสายของอัะพรหัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชื่อคำของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทําสิ่งที่ได้ยินมาจากพ่อของท่านที่น้งองข้าพเจะนะของพระเจ้าตอนนี้สั้นๆครับแค่แปดข้อแต่ได้บอกกับความบอกความจริงของเราเยอะแยะครับ ถ้าเรารู้เราบริบทของพระกัมพีตอนนี้เราจะรู้ว่าพวกเขาซึ่งเป็นฟาริสีธรรมจารนั้นพยายามหาเหตุที่จะตับจับผิดพระเยซูแต่พระเยซูก็ให้เหตุผลที่จะโต้แยง้งและจากการให้เหตุผลของพระองค์น่าเสียดายครับที่พวกเขาไม่ได้รับความดีหรือสิ่งดีใดๆเลยจากการให้เหตุผลการพยายามอธิบายของพระเยซูแต่คนที่ได้รับก็คือพวกเราครับ ผู้ที่อ่านพระโอษฐของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นสิ่งทน่าเสียดายจริงๆครับสําหรับพวกฟอรีซีและธรรมจารย์เพราะเขามีอคติและเมื่อใจของเขาไม่เปิดและใจของเขาติดลบกับพระเยซูก็คือมีอคติทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแท้จริงและเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับไม่อาจมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแท้จริงเขาก็ ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจา้าพระบิดาอย่างแท้จริงได้เช่นเดียวกันตามที่ยอห์นได้บันทึกในวันนั้นนะครับมีหลายคนที่เชื่อพระเยซูมีหลายคนที่ไว้วางใจพระเยซูแล้วพระเยซูก็สอนต่อในข้อสามสิบเอ็ดสามสบสองครับพรงบอกกับพวกเขาว่าผู้ที่เป็นสาวกของพร ะ, พระเยซูหรือผู้ที่ไว้วางใจพระเยซูจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับ พระเยบอกว่าในข้อที่ส1 3สิบเอดสามสิบสองนะครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับโปรดฟัครั้งครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทพี่น <kanske> <sh> ้องครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อท่องจำนะครับ ของพวกเราถ้าท่านทั้งหลายดํารงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะ ร, รู้จักศัจจาและศัจจาจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยนะครับ <c oughs> พี่น้องลองท่องตามผมนะครับถ้าท่านทั้งหลายดํารงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จ ร, ริงและท่านทั้งหลายจะ ร, รู้จักสัจจา และสัจจะจะทำให้ท่านั้งหลายเป็นไทยพี่ต้องสร้างไหมครับว่ามีพรมพีใหม่ไม่กี่ตอนครับที่จะกล่าวถึงเรื่องการเป็นสาวกอย่างครบถ้วนเหมือนข้อพรมพีข้อนี้ประการแรกสุดครับความเป็นสาวกหรือการเป็นสาวกเริ่มขึ้นหรือเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะครับ มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์จึงจะเป็นสาวกของพระองค์ได้ประการที่สองก็คือการเป็นสาวกหมายความว่าเขาจะต้องติดตามพระเยซูนะครับติดตามพระเยซูเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเมื่อหลายวันก่อนผมได้กล่าวนะครับติดตามพระเยซูเหมือนกับทหารเหมือนกับทาสเหมือนกับการยอมรับความคิดเห็นหรือมติของที่ปรึกษา เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองที่ดีเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกับคนที่ติดตามพระเยซูเป็นให้พระเยซูเป็นครูบาอาจารย์ของเขาและเขาเป็นนักเรียนของพระเยซูนี่นะครับคือคําว่าติดตามปร <c oughs> ะการต่อไปครับก็คือว่าการเป็นสาวกนั้นจะต้องดํารงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาครับนะครับ ซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาส่งผลทําให้ชีวิตของสาวกนั้นรู้ความจริงประจักษ์แจ้งถึงความจริงและประการที่สี่ประการสุดท้ายครับการเป็นสาวกเมื่อรู้จักความจริงความจริงนั้นจะทําให้สาวกเป็นไทยครับเป็นไทยนี่หมายความว่าอิสระจากความกลัวอิสระจากแรงกดดันของคนอื่นอิสระจากความเห็นแก่ตัว และอิสระจากความผิดความบาปนะครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้สาคัญมากครับมีสี่ประการด้วยกันของการเป็นสาวกครบถ้วนผมขอทบทวนนะครับประการแรกสุดเลยก็คือเริ่มต้นด้วยความเชื่อความศรัทธาประการที่สองก็คือมีชีวิตที่ติดตามพระเยซูประการที่สามก็คือดำรงชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลา และประการสุดท้ายก็คือชีวิตของสาวกจะเป็นอิสระเป็นไทยเป็นไทยอิสระจากความกลัวความกดดันความเห็นแก่ตัวและความผิดบาปขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งเราจะดำรงตนเป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงข้อสังเกตต่อไปก็คือว่า <c oughs> ไม่ว่าชาวยิวนะครับจะเป็นยังไงก็ตาม แต่เราเห็นชัดครับว่าชาวยิวไม่สามารถจับความหมายที่กบถ้วนของข้อความที่พระเยซูหรือคำสอนที่พระเยซูสอนเขาสิ่งเดียวที่จะทะลุทะลวงความคิดของเขาก็คือว่าเป็นไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเหตุที่เป็นทาสของโรมครับยังเป็นเมืองขึ้นของโรมยังต้องเสียสวยแต่เขาอยากจะเป็นไทยอยากจะปกครองตัวเอง จึงทำให้สะดุดที่ว่าเป็นไทยเป็นไทยมีความหมายว่าอิสรภาพอิสรภาพอิสรภาพเขาจึงทูลพระเยซูว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและเราไม่เคยเป็นทาสใครเลยพี่น้องครับพระเยซูก็ตอบเขาครับบอกว่าท่านทั้งหลายที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปอันนี้ชัดเจนครับพี่น้องครับใครก็ตามที่ทำอะไร ใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการความคิดปรัชญาใดก็เป็นทาตของสิ่งเหล่านั้นพวกเขาเป็นทาตในอียิปต์ถึง400ปีพวกเขาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาซีเรียในปี722ก่อนคิเตศักราชและตกเป็นทาตเป็นเฉลยในบาบิโลนในปี586ก่อนคิเตศักราดและพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมครับ เพื่อนครับชนชาตินี้เป็นชนชาติที่น่าอิจฉาในวิเลยดกันก็น่าสงสารครับเพราะว่าผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบผ่านการเป็นทาสในอียิปต์มาก็สี่ร้อยปีนะครับถูกปกครองด้วยพว ก, พวกอัสซีเรียก็หลายสิบปีตกเป็นเฉลยในบาบิโลนก็เจ็ดสิบปีและขึ้นชาติไปเกือบสองพันปีพี่น้องครับ ประชาชาตินี้เป็นประชาชาติที่น่าสนใจและในวิดีโอกันก็น่าสงสารเพราะพวกเขาปฏิเสธพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราจะตระหนักถึงการที่เราเป็นทาสของความผิดบาปแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูชีวิตของเรามีอิสรภาพเป็นไทยหรือเปล่าครับสัจจะก็คือความจรงิงพระเยซูบอกว่าเราเป็นความจรงิงสัจจะก็คือพระเยซู สัจจะก็คือพระคิดคำคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยครับเราจะเป็นอิสระจากความผิดบาปเราจะเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวเราจะเป็นอิสระจากแรงกดดันความตึงเครียดทั้งหลายและเราจะเป็นอิสระจากความกลัวพี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งคนใดมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยเชื่อพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ก็จะมีสถานภาพที่มั่นคงแน่นอนผนวกกับความเป็นไทยพ้นจากการเป็นทาสของความผิดบาป พ, พ้นจากการเป็นทาสหรือการปกครองของอำนาจมืดมิญญันชั่วมารซาตานทั้งหลายและจะมีอิสรภาพและพวกเขาจะเป็นทาสสมัครของพระเยซูต่อไปมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้ความเป็นไทยเพราะโปรงเป็นความจริง อามน